ธรรมบทแปลเรื่องอุตราอุบาสิกาภาคที่หเรื่องที่หนึ่งเจ็สพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงทมพัฒกิจในเรือนของนางอุตราแล้วทรงปรารพอุบาสิกาชื่ออุตราระพระธรรมเทศนานี้ว่าอะโกเทนะ ชิเนโกทังอะสาทุงสาทุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาที่หนังพึงชนะคนโกโรธด้วยความไม่โกโรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตะณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหล ด้วยคำจริงตอนในปุณณะยากจนต้องรับจ้างสุมนะเศรษฐีอนุบุพพิกาษาในเรื่องของนางอุตราอุบาสิกานั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่าคนขัดสนชื่อปุณณนะอาศัยสุมนะเศรษฐีรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชกฤห์ ในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของเขาคนหนึ่งทิดาชื่อนางอุตราคนหนึ่งต่อมาวันหนึ่งพวกราชบริษททำการโฆษณาในกรุงราชกฤหว่าชาวพระนครพึงเล่นนั ก, กษัตว์กันตลอดเจ็วันดังนี้สุมนะเศรษฐีได้ยินคาโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายปุญ น, นะ ผู้มาแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าพอ่อบริวารอื่นๆของฉันประสงค์จะเล่นนักษัตว์กันแกจะเล่นนักษัตย์กับเขาหรือหรือว่าจะทำการรับจ้างเล่านายปุณณะข้าแต่นายชื่อว่าการเล่นนักษัตย์ย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรื่องของผมแมเข้าวสารจะต้มข้าวต้ม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 พระเตระคิดว่าข้าหน่ายปุณณะ น, นี้อยู่เรือนหลังท้ายของชนเราอื่นถ้าเราจะไปสู่เรือนของเขาภริยาของนายปุณณานี้จะไม่ได้เห็นเราเราจะต้องอยู่นะที่นี้แหละจนกว่าภริยาของเขาจะเดินทางนําพัดมาให้เราพระเตระจึงได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยนะที่นั่นเอง ทราบความที่ปรยาของนายปุณณะนั้นเดินทางแล้วจึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครตอนปรยานายปุณณนะถวายพัดแก่พระเตระนางได้พบพระเทระในระบาต่างแล้วคิดว่าก็บางคราวเมื่อมีไตยธรรมเราก็ไม่ได้พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราว เมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้าตยธรรมก็ไม่มีวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งแต่ยธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจะทำความอนุเคราะห์แก่เราหรือหน่อแลนังนี้นางจึงวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหวพระเถระด้วยเบญจางครัะดิดแล้วกล่าวว่า ท่พุเจริญขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่าอาหารนี้เศร้าหมองหรือประณีตจงทำความสงเคราะห์แก่ทาตของพระผู้เป็นเจ้าเถิดในที่นั้นพระเถระจึงน้อมบาดเข้าไปเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่เมื่อถวายไปได้ครึ่งหนึ่งพระเถระจึงเอามือปิดบาด้วยพูดว่า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 ทั้งหมดลงในบาทของพระเตระแล้วทำความปรารถนาว่าขอที่ฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละดังนี้แล้วพระเทระจึงได้กล่าวว่าขอจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดยืนอยู่ที่นั่นแหละทำการอนุโมทนาแล้วพระเตระได้นั่งทำพัตกิจนะที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่ง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 เขาคงถูกความหิวบีบกันนั่งคอยดูเราอยู่แล้วก็ถ้ว่าเขาจะคุกคามเราว่าเจ้าช้าเหลือเกินแล้วเอาด้ามปะตักฟาดเราการที่เราทำแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียวดังนี้แล้วซึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่านหนวันนี้ท่านจงทำจิตให้ผ่องใสสักวันหนึ่งเถิด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 จึงผ้าศีสากบนตักของภรรยาแล้วก็หลับไปตอนทานของสามีภรรยาอำนวยบนในวันนั้นกลางนั้นที่ที่เขาถายไว้แต่เช้าตรู่ได้เป็นทองคำเนื้อสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละองดินตั้งอยู่งดงามดุดดอกกัิกาเขาตื่นขึ้นและเห็นแล้ว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 เป็นตองคำจึงคิดว่าโอ้ทานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าธรรมสนาบดีแสดงบลในวันนี้เองก็เราไม่อาจที่จะซ่อนทรัพย์ประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้นายปุณณะจึงเอาตองคำใส่เต็มถาดข้าวที่ปริยา น, นามาถวายแล้วได้ไปสู่ราชตระกูลมีโอกาส อันพระราชาพระราชท า, านแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาเมื่อพระองค์ตรัสตามว่าอะไรหรือป่เขาจึงได้กราบตุลว่าข่าแต่ส ม, มุติเทวราชที่ที่ข้าพระองค์ถ่ายแล้วในวันนี้ทั้งหมดเป็นที่เต็มไปด้วยทองคำทั้งนั้นตั้งอยู่แล้วขอพระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำมาไว้พระราชาก็ท่านเป็นใคร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 จึงตรัสว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าท่านที่ท่านถวายพระธรรมเสนนบดีแสดงวิบากในวันนี้เองแล้วจึงตรัสตามว่าพ่อเราจะทำอย่างไรนายปุนนะขอพระองค์งส่งเกวียนไปหลายหลายพันให้นำทองคำมาเติดพระราชาจึงทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้วก็เมื่อราชบุตร พูดว่าเป็นของพระราชาถือเอาอยู่ทองคาที่เก่าตือเอาแล้วเอาแล้วย่อมเป็นดินอย่างเดิมพวกราชบุุษไปกราบทูลกับพระราชาอันโปร่งตรัสตามว่า็พวกเจ้าพูดว่าอย่างไรจึงถือเอาพวกราชบุุษจึงทูลว่าพูดว่าเป็นพระราชทรัพย์ของพรองค์พระราชาข้อนี้หาใช่ทรัพย์ของเราไม่ พวกเจ้าจงไปจงพูดว่าเป็นทรัพย์ของนายปุนนะแล้วถือเอาเธอพวกราชบรุษทจึงได้ทำอย่างนั้นทองคำที่เขาถือเอาแล้วถือเอาแล้วได้เป็นทองคำแท้พวกเขาจึงขนเอาทองคำนั้นทั้งหมดมาทาเป็นกล่องไว้ที่ทองพระหลานหลวงทองคำทั้งหมดนั้นได้สูงประมาณ8ปสศอกตอน นายบุญ น, นะได้รับตําแหน่งเศรษฐีพระราชาจึงรับสั่งให้ชาวพรรณกรประชุมกันแล้วจึงตรายตามว่าก็ในพรรณกรนี้ใครมีทองคําถึงเพียงนี้บ้างชาวบรณณกรไม่มีพระชก่าพระราชาก็เราควรจะให้อะไรแก่นายปุญ น, นะเล่าชาวพรณรณกรชาตสาหรับเศรษฐีพระชก้า พระราชาจึงตรัสว่าในปุณนะจงเป็นเศรษฐีชื่อพระหุธนะเศรษฐีแล้วก็ได้พระราชทานชัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคการมากมายกระนั้นเขากราบทูลกับพระราชาน้นว่าข้าแต่ส ม, มุติเทวราชข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่นตลอดเวลาถึงเพียงนี้ ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงดูกอไม้นั้นปรากฏอยู่ทางด้านทิศทักษิณจงนํากอไม้นั่นออกแล้วให้ช่างทําเรือนเถิดนั่นี้นแล้วนายปุณะก็ได้ตรัสบอกที่เรือนกองเศรษฐีเก่านายปุณะได้ให้ช่างทําเรือนในที่นั้น โดยสองถึงสามวันเท่านั้นทมเกัับะเวสนะมงคลและชัตรมงคลเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแก่พิกสุกสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นพระาศาสดาเมื่อทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัสอนุบุพีกถาแล้วในการจบธรรมกถา จนทั้งสามคนคือปุณนเศถษีหนึ่งภริยาของเก่าหนึ่งนางอุตราผู้เป็นทิดาหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วตอนทิดาปุญนาเศถษีได้เป็นภริยาบุตรของสุมนณเศรษฐีในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชกฤชขอทิดาของปุญนาเศถษีให้บุตรของตน นายปุนะพูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชกฤชพูดว่าท่านอย่าทาอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ตีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ทิดาแก่บุตรของฉันเถิดนายปุณนะจึงกล่าวว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฐิส่วนทิดาของผมเหินห่างจากพระรัตนทั้งสามแล้ว ไม่อาจเป็นอยู่ได้ผมจึงยกทิดาให้บุตรของท่านไม่ได้เลยก็ในกระนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและกระาบดีเป็นต้นเป็นอันมากวิงวอน น, นายปุณณว่าท่านอย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกุงราชจกรีนั้นจงยกทิดาให้บุตรของข่าวเถิด น, นายปุณณจึงได้รับคาของกุลบุตรเหล่านั้นแล้ว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 ผู้อยู่ในสำนักบ่าเวลานี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเท่าไรสาวใชย้ยังเหลืออีกครึ่งเดือนคุณแม่นางจึงได้ส่งข่าวไปให้บิดาว่าเหตุไงบิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือนเช่นอย่างนี้การที่บิดาทําให้ฉันเป็นคนเสียโฉมและประกาศว่าเป็นทาสีของชนพวกอื่นยังจะประเสริฐกว่า การที่ยกให้แก่ตระกูลมิชาทิฏฐิเห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่ดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นพิสุจเป็นต้นเลยลาดับนั้นบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจโดยคิดว่าทิดาของเราได้รับทุกหนอจึงได้ส่งรับไป1 0 0 0 0หากะหาปณะนะด้วยสังา ในนครนี้มีหญิงคณิกาชื่อสิริมาเจ้าจงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วันละหนึ่งปันกาหาปณะนะแล้วให้นำนางมาด้วยกาหาปณ ะ, ะเหล่านี้ทำให้เป็นนางบําเรอของสามีแล้วส่วนตัวเจ้าจงทําบุญทั้งหลายเถิดน้ำอุตราจึงให้เชิญนางสิริมามาแล้วพูดว่าสหาย เธอจงรับกาปะนะเหล่านี้แล้วบัมเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิดนางสิริมานั้นรับรองว่าดีหลักนางอุตราจึงพานางสิริมาไปสำนักของสามีเมื่อสามีนั้นได้เห็นนางสิริมาแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี่นางอุตราจึงได้บอกว่านาย ขอให้หญิงสายของีิฉันบำเรนนายตลอดกึ่งเดือนนี้ส่วนดิฉันใคร่จัดถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงามเกิดความิเนหาจึงรับรองว่าดีละตอนนางอุตราได้โอกาสทำบุญแม้นางอุตราแลนิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญขอพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่นพึงรับพิกสาในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึ่งเดือนนี้เถิดนาอุตราได้รับคำปฏิญญาของพระศาสดาแล้วมีใจยินดีว่าปัจนี้เราจะได้เพื่ออุปถาก พ, พระศาสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไป ตลอดจนถึงวันมหาปรวรณานางจึงเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ว่าพวกท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้ปึงนึ่งขนมอย่างนี้ก็กระนั้นสามีของนางมีความคิดว่าก็พรุ่งนี้เป็นวันมหาปรวรณาเขายืนตรงหน้าต่างบ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ รวจดูด้วยคิดว่านางอุตราอันธพานนั่นเตียวทำอะไรอยู่น้อแลเศรษฐีบุตรได้เห็นทิดาเศรษฐีนั้นขมุกขมอมไปด้วยเหงือ่อเปรด้วยเท่ามอมแแมมด้วยฐานและก็เมาเที่ยวจัดทำอยู่อย่างนั้นจึงมีความคิดว่าพุทโธหญิงอันธพานไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นปานนี้ กลับมีจิตยินดีว่าจะได้อุปถาคสมณักศีรษะโล้นเที่ยวไปได้เศรษฐีบุตรจึงหัวรอดแล้วก็หลบไปเมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนั่งสืิมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาจึงมีความคิดว่าเศรษฐีบุตรนั้นมองดูอะไรนั่และจึงหัวรอ นางสิริมาจึงมองลงใบตาหน้าต่างนั่นแหลเห็นนางอุตราแล้วคิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางนี้เป็นแน่ตอนนางศิริมาหึงนางอุตราเอาเนยใสยเดือดรอดได้ยินว่านางศริมานั้น แม้อยู่เป็นคนนอกในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนสเสวยสมบัตินั้นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงป่ายนอกได้ทำความสำคัญว่าตัวเองเป็นแม่เจ้าเรือนนางจึงผูอาคาตในนางอุตราว่าจะต้องยังทุกข์ให้เกิดขึ้นกับมันนางสิรมาจึงลงจากประสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่เอาทปีตักเนยใส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 ก็เราอาศัยนางนั้นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมานั้นเนยใสนี้จงลวกเราเถิดถ้าไม่มีอย่าให้ได้ลวกเลยเนินนี้แล้วเนยใสซึ่งเดือดล่าที่นางสิริมานั้นรดลงเบื้องบนนางอุตรานั้นได้เป็นเหมือนน้ำเย็นละแบบนั้นพวกตาสีของนางอุตราั เห็นนางสุดิมาผู้ตักเนยใสยให้เต็มทัพพีอีกด้วยเข้าใจว่าเนยใสยนี้คงจะเย็นถือเดินมาอยู่ดังนี้พวกนางทาสีจึงคุกคามนางสรดิมาว่านางหัดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรจะรดนเนยใสที่เดือดปล้นบนเจ้าแม่ของพวกเราดังนี้แล้วทาสีเหล่านั้นก็ต่างลุกขึ้นจากที่นี้บ้าง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 ก็โอ ว, วาสนางสรีมาให้อาบด้วยน้ำอุน่นทาด้วยน้ำมันที่หงตั้งหนึ่งรอยครั้งตอนนางสรีมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตราณะนั้นนางสรีมานั้นรู้สึกตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วจึงคิดว่าเรารถเนยใสที่เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตรานี้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 นางสิริมาก็ให้พระสัสดาอดโทษนางสิริมาจึงรับคำว่าดีละแล้วได้ลุกขึ้นไปสู่เรือนของตนสร้างหญิงบริวารห้าร้อยให้ตระเตรียมคาตรียะและสูบไยยะต่างๆอย่างในวันรุ่งขึ้นก็ถือส ก, การะนั้นมาเรือนของนางอุตราไม่กล้าจะใส่บาทพิษสุสง ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงได้ยืนอยู่แล้วนางอุตรารับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแล้วในเวลาเสร็จพัตตกิจนางสิริมาพร้อมด้วยบริวารมอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระาศาสดาเพราะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสถามนางนาว่าเจ้ามีความผิดอะไรานางสิริมาขคแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พระสัสดาอุตรา่าได้ยินว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือนางอุตราข้อนั้นอย่างนั้นพระชก้าวันนี้หญิงสหายของหม่อมฉันได้รถเนยสายที่เดียดพล่านบนศีรษะของหม่อมฉันพระศัสดาเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรนางอุตราหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลก็แคบนะ ปรมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายของข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขาจึงได้ตวายทานและฟังธรรมทว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่ตอนนางนี้เนยใสที่เดือดพลาดนี้จงลวกหม่อมฉันเดิดถ้าหาไม่แล้วขออย่าได้ลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานีพระเจ้าข้า พระศาสดาจริงตรัสว่าดีละดีละนาวตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมกวนก็ธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขา่าตัดพ้อเขาพึงชนะด้วยการไม่ด่าตอบไม่ตัดพ้อตอบคนตรนีจัดพึงชนะด้วยการให้ของตนคนมักพูดเท็จพึงชนะ ด้วยคำจริงดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระกาถานี้ว่าอกโกเทนะชิเนโกทังอสาทุ่งสาธุนาชิเนชิเนกัทะริยังทาเนนะซาเจนาลิกวาทินังแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดี ด้วยความดีพึงชนะความตาระณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงในบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าอกโกเทนะคือด้วยความโกรธหมายความว่าบุคคลผู้มักโกรธแลพึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความไม่โกรธผู้ไม่ดีคือผู้ไม่เจริญ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 ในการจบเทสนานางสิริมาพร้อมด้วยญาติทั้ง500ทตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แหละเรื่องอุตราอุบาสิกา